คือวิธีไล่สมมุติว่าถ้ามีวิธีเดียวเนี่ยเราจะทำยังไงอไนะเอาไว้เออก็บินต่อไปทะลุเอเอไปด้ยวยกันแล้วกันนะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่รักมากอย่างเงี้ยนะอันถ้าหนึ่งเจตนาแห่งการฆ่ามีไหมสองเจตนาที่จะรักเนี่ยเรามีไหมบางคนนะไอ้ที่ไม่โกงเนี่ยเพราะห้าบาทสิบาทไม่ทำอยู่แล้วบางคนพร่อร้อยพ่อพันพะอหมื่นพ่อแสนถ้าระดับแสนไม่ทำบางคนเนี่ยนะถ้าล้านอาจจะทำ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 ถ้ามีได้ช่องได้โอกาสเป็นต้นเนี่ยทําไมก็ต่อไปมูสาเราจะพูดความจริงไหมด้วยเหตุผลใดเราก็จะขอพูดแต่ความจริงไหมหรือโดยที่สุดอยากหัวเราะพูดมูสาเพื่อหัวเราะเล่นถ้าต้องการแค่มุสาเพื่อจะให้คนอื่นคนําแหมโจกเก่งมากอะนะเละเลยจริงๆและชาติหน้าว่างั้นเธอกลายเป็นโจกเองในอนาคตว่างั้นเถอเละแน่ น, นะพ่อพูดเพ อ, อยากให้คนอื่นเขาเป็นโจกในที่สุดตัวเองก็เป็นโจกอนาคตอะ่ะพั้นถูกเขาเอาไปทําโจกแน่เพรา อ, อไรเพราะเจตนาตัวนั้นเนี่ยนะแล้วเจตนาที่จะดื่มสุราเนี่ยมีไหมก็ถามดูเจตนาแล้วเจตนาในกรรมบทแต่ละข้อแต่ละข้อเพรันเจตนาเนี่ยนะเรามาวัดใจเอารักเรากําลังสร้างอุปนิสัยอะไรให้แก่ตัวเองใน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 มันไอคํำว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะเขาบอกว่าคําสอนที่ผิดนํามาซึ่งทุจริตจริงๆสูตรที่ตั้งไว้ผิดโดยอัฏฐะและโดยพยัญชนะนํามาซึ่งการเรียนที่ผิดการเข้าใจที่ผิดการปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อผิดๆแม้แต่คําสอนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เหมือนกันเขาพูดระดับไหนมันต้องฟังแล้วทําความเข้าใจให้ดีๆอ้าวพ่อก็ไม่ใช่พ่อแม่ก็ไม่ใช่แม่พ่ออนัตตามหมดเลยแล้วก็ดื่มเหล้าต่อไปอย่างไงนะ อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคือความเสียหายมันต้องพยายามศึกษาให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าเอาคำสอนแต่ละอย่างมาใช้อย่างไรไม่อย่างนั้นแทนที่จะเป็นยายารักษาโรคเนี่ยนะยาเพื่อความพ้นทุกข์กลายเป็นยากลายเป็นคำสอนที่เพิ่มพูนลทัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยนะมันระวังให้ข้ อ, ขอควรระวังให้มากๆเลยในการศึกษาคาสอนสิ่งใดที่มีคุณมหาศาลสิ่งนั้นน่ะถ้าใช้ผิดก็มีโทษ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 ก็อะไรก็ตามแม้แต่คําสอนที่นําออกจากทุกเนี่ยพยายามต้องค่อยๆระวังกันนะค่อยๆมีความระมัดระวังพระองค์จึงเน้นย้ําำว่อเน้นย้ําถึงความไม่ประมาทและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราเนี่ยนะเราตั้งไว้เลยว่าใจของเรานี่จะเจริญด้วยอะไรจะเจริญด้วยศรัทธามไหมจเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหิริโอตปะสุตตะจาระปัญญาเจริญด้วยอินทรียห้าไหมต่อไปใจของเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะพยายามกําหนดทิศ ท, ทางของตัวเองให้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 อย่างไรแล้วเราศึกษาข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกื้อกูลต่อการรู้เห็นอริยรสัจสําหรับเราบ้างเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามมนสิการเอาไว้เถอะว่าการรู้เห็นอริยสัจนั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรู้อริยสัจนั่นแหละเรียกว่าพุทธพุทธะนี่ยนะพุทธะนี่เป็นชื่อของปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจผู้รู้รู้อะไรรู้อริยสัจ ต, ตื่นตื่นจากกิเลสเพราะมีปัญญาเห็นอริยสัจเนี่ยนะรา้รู้อริยสัจเนี่ยนะ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 อริยสัจพระปเจก็รู้อริยสัจแต่รู้โดยลำพังของท่านเองเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญแล้วก็สั่งสมบุญมันพยายามกําหนดทิศทางว่าใจของเราจะต้องไหลไปสู่อริยสัจเนี่ยนะอย่างถ้าใครอ่านสังยุตตนิกายมหาวารวรตเช่นสติปทานสังยุตสัมมาปทานสังยุตอิทิบาทสังยุตอินทรีย์สังยุตภะละสังยุตโพชฌงสังยุตมัคสังยุต พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคุณธรรมเหล่านี้คือสติปัญญานสัมมปาปัญญาอิทธิบาทอินระระทรียพละโพชงองมรคเนี่ยเหมือนกระแสแม่น้ําสายใหญ่ๆกระแสแม่น้ําสายใหญ่จริงๆในโลกเนี่ยไหลไปไหนไหลไปสู่ทะเลชันใดสติปัญญานสัมมปามมปาัญญาอิทธิบาทอินระระทรียพละโพชงและองค์มรคที่เป็นไปตามคําสอนไหลไปสู่พระนิพพานอย่างเดียว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 มีทั้งสัมมาโลกนี้มีทั้งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิโลกนี้มีทั้งมิจฉาสังกประและสัมมาสังกประโลกนี้มีทั้งมิจฉาวาจาและสัมมาวาจามีทั้งมิจฉามรักและสัมมามรักมิจฉามรักเนี่ยเป็นมิจฉาตานิยตาธรรมะเป็นความผิดพลาดที่แน่นอนยากที่จะแก้ไขเรียกว่ามิจฉั ต, ตานิยตาธรรมะถ้ามรักถูกเรียกว่าสมมตานิยตาธรรมะ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 วิชาเรียนลายแทงเนเนะเรียนพระตรัยพิดกเนี่ยก็ถ้าเปรียบเหมือนกับอะไรนะพิ น, รรพะะนะนัยกรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้ฝากฝังอะไรนะฝากฝังให้เราเนี่ยเป็นธรรมทายาจก็เลยเขียนพินัยกรรมเขียนมอบทรัพย์มรดกไว้ให้ในตามตามพระตรัยพิดกนี่แหละคือพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าเราก็มาอ่านว่าเราได้อริยซัพย์ของพระองค์ไปเท่าใดเนี่ยเราเป็นทายาทผู้รับมรดกของพระองค์ได้ไหมมีคุณสมบัติที่จะรับอริยซัพย์ของพระองค์ได้ไหม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 เข้าไปทุกขนทุกแห่งเลยนะเกี่ยวกับเรื่องปานาธิบาตบอกดูจากอะไรเช่นพวกเกมกดทั้งหลายนี่ก็คือฝึกฆ่าเล่นๆไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยมันก็คือการฝึกฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าในที่สุดเนี่ยนะโลกก็จะเจริญด้วยมหาสงครามเนี่ยนะก็เล่กลโกงทั้งหลายเนี่ก็งัดกรรมาใช้สารพัดชนิดเครื่องมือสื่อให้ไล่ไปสู่กาเมสุเมชาจารย์ก็มา สารพัดอย่างก็แปลว่าเปิดประตูนรกช่วยๆกันเปิดคนละสิบบานร้อยบานทันบานเพื่อให้ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกสมัยใหม่เป็นสมัยที่สันอากุสลกรรมบทแพร่หลายจริงๆเมื่อก่อนนี้ขอมาโมาตนั่งอะไรพูดง่ายๆว่าโมาตนั่งหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เพิ่งตอนนี้เข้าใจแล้วว่าใช่แล้วมหาปานาติบาจริงๆปานาติบามีทุกย่อมยามีทุกขนทุกแห่งมหาอธินนาทานมหา กาเมสุมิฉาจารย์มหาหมุสาวาตมหาสุรามีไรเนี่ยนะเป็นสมัยที่มันท่วมทับสมัยที่ยุยงเขาว่ามุสาวาตก็เต็มที่พูดส่อเสียดก็เต็มที่พูดจายาบก็สุดยอดแล้วเนี่ยนะหมดแล้วไม่มีอะไรมากอันนี้เพ้อเจอกันชนิดว่าสุดๆดอภิชากันอย่างจริงจรงจังๆพยาบาทจองเวรกันชนิดเรียก ว, ว่าเป็นเขาว่าสาสืบทอดกันมาเลยแหละเนี่ยนะแล้วก็มิฉาทิฏฐิ ที่ปฏิเสธการฆ่าว่าการฆ่าไม่มีผลการลักโกงไม่มีผลการผิดกาเมย์ไม่มีผลปฏิเสธแม้กระทั่งผลแห่งกายกรรมวิมจีกรรมและมะโนกรรมทุกอย่างเกิดลอยๆทำเหล่านี้ทาแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนั้นอกุศลกรรมบทเนี่ยแพร่หลายมาก